ครับกับสมรตการหลวงพ่อหายไปค่อนข้างนานนะครับไปปลมมาครับอืมแต่ลุกได้แล้วใช่ไหมคะก็พอสมควรครับเยี่ยมเลยค่ะอย่างน้อยก็ไปนะคะไปไปไปรองเท้าแล้วก็ใช้ไม้คำยันจุกไม้ยันมันลื่นก็ล้มอืมอนนี้เป็นใหญ่มากดีขึ้นด้พอมควรครับ ก็ระหว่างเจ็บก็ก็ไปฝึกรู้ตัวของรู้ตัวรู้สติตามตามที่ได้ไ ด, ได้ได้ฟังของหลวงพ่อมาก็ก็ได้บ้างก็จะบอกว่าได้ก็ไม่เชิงต้องบอกว่าได้บ้าง ไม่เป็นไรค่ะเราได้บ้างเคลอบ้างหลุดบ้างไหลไปบ้า ง, างเป็นเรื่องปกติค่ะคุณผู้ชมบางบา ง, บางที <c oughs> เราไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนมาในตรงทางสายนี้แต่ก็พอรู้สติรู้ตัว <c oughs> แล้ก็ก็ดีขึ้นเยอะทำให้ไม่ไม่หงุดหอิดแล้วพอจะเล่าพอจะเล่าได้ไหมค่ะว่าตอนรู้สึกตัวหรือว่าอะไรยังไงเผื่อจะ แล้หลวงพ่อช่วยชีย้เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ค, ค่ะพิชันปกติบางทีที่ที่เราคือไปไหนไม่ได้ปกติคือคือบางคนเห็นว่าผมผมนั่งีวิวแชร์หรือใช้ไม้ค้ำยันไปไห น, ไหนลาบากจริ<า>งมันมันเป็นเรื่งบงปติที่ผมผมผมเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กนะครับคือ<า>คือที่โรงเรียนเขาฝึกให้ใ ห, ให้ให้เราใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนคนทั่วไปค่ะ ไม่ได้มองในสิ่งที่บกกร้องใช่ไหมคะใช่ครับจิตจิตของวันปฏิกิริยาสอนให้เราเป็นใช่หจเข้มแข็งค่ะเข้าใจครับแต่แต่บางทีเราไปไหนไม่ได้เราหยุดอยู่คนเดียวเนี่ยมันทําให้เราหงุดหงิดฟุ้งฟานมีความคิดตรงแตกมากมายแตกมากมายใช่พอพอช่วงหลังมาเนี่ยพอมาฟังหลวง่มาฟัง ฟังเรื่องราวต่างๆมาฟังเล่าจากหนังสือที่คุณหนุ่ยอ่านคุณสติอ่านเนี่ยค่ะเ ร, เรามาประมวลเรื่องราวต่างๆแล้วก็มา adapt ม, ม, มามาปรับกับเราเนี่ยไอ้ไอ้ความขุ่ิที่เราเคยมีมก็หายไปดีเราสามารถที่จะเอามาอ d a p t กับกับชีวิตของเราที่ว่าเราไม่ได้ไปไหนเราไม่ได้ไปกับเพื่อน เราสามารถอยู่กับตัวเองได้ค่ะก็มันมันมันทำให้เรานิ่งค่ะรู้สติรู้ ร, รู้รู้ตัวค่ะแล้กสามารถที่จะคือดำรงอยู่กับตัวเองได้าตัวเอาตัวของเราเนี่ยมาดูตัวเราเองว่าเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้นะ เราทำอันนี้นะเราทำตัวนั้นได้นะเราทำอันนี้แล้วกำลังทาตัวนี้อยู่คือเหมือนกับว่าอย่างที่หลวงพ่อบอกเอาเอาอีกตัวหนึ่งมาดูตัวเราได้<ะ> ค, ค, คือผมไม่สามารถที่จะอธิบายตัวเองว่าเอาเอาอีกตัวหนึ่งมาดูตัวเราได้มันเอาอย่างไร ใช่ไหมคะช็อตออกมายังไงแต่ว่ารู้ว่าตรงนี้เรากำลังทําอะไรอยู่ค่ะเราเราเหมือนกับที่ว่าเราเข้าไปอยู่ในห้องเหมือนกับคุณคุณอาหนอนคุณคุณอะไรนะอีกคนหนึ่งอะคุณจอมอ๋อเอาคุณจอมพลค่ะเอาไปอยู่ในห้องแล้บอกเฮ้ยในห้องไม่มีใครแต่จริงจริ้วมืตัวเราใช่ค่ะอืมอันนั้คือคือรู้ว่ารู้ว่ารู้ว่ามีค่ะ อืมอย่างนั้นถ้านกอกกันก็รู้ว่ามอกกําลังฆ่ารู้ว่านกกําลังดูเราค่ะคือรู้รู้สติรู้ตัวเองอันนั้นคือคือเราสามารถเรียกเอาได้ตัวเราได้ว่าเรากําลังทําอะไรเราสามารถรู้ตัวได้เราสามารถจะควบคุมอารมณ์ตัวเราได้ครับว่าเมื่อก่อนี่คือคือเมื่อก่อเราทําอะไรไม่ได้เลยสูบบุหรี่ได้ เราหงุดหงิเราไม่ทันอารมณ์ของเราใช่ไหมคะมองไงอ่าค่ะหลวงพ่อเสริมให้คุณปิติชัยไหมคะค่ะหลวพ่อก็เนาะลองดูขณะที่เรากําลังพูดเช่นเราจะพูดเรื่องอดีตก็ได้อนาคตก็ได้แต่ว่าตัวปัจจุบันคือกําลังกระทําอยู่นะครับกำลังพูดก็ให้รู้เราเห็นไหมพอกําลังพูดก็คือให้รู้เราว่าเราเนี่ยพูด เรานิคิดนะเออเพียนที่จะระลึกรู้อยู่บ่อยๆกลายเป็นว่าเมื่อรู้เราบ่อยๆเนี่ยตัวเราก็จะเป็นสิ่งถูกรู้แต่มีธรรมชาติอันหนึ่งที่มารู้เราอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้เรานะแต่ถ้าไม่รู้เรามันก็ออกกลับด้านไปคือเป็นเรารู้อย่างเมื่อกี้ที่ยอมปิดชัยเล่านะอย่างนี้เขาเรียกว่าเรารู้รู้ว่าไปล้มมาเมื่อนั้นเมื่อ น, นี้เห็นไมมันมีเรารู้ แต่ถ้ารู้เราคือรู้ว่าเราเนี่ยกาลังพูดกําลังเล่าเรื่องอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันกลับด้านนิดเดียวเองอะมันกลับไปกลับมาเนี่ยถ้าเข้าใจถูกเรื่องรู้เราเนี่ยมันจะเหมือนกับที่โยมทารีรัดอะไรที่เขาเล่ากันเนี่ยพอมารู้เราปั๊บชีวิตมันเปลี่ยนแล้วก็รู้สึกว่ามันโล่งโปร่งเบาแล้วมันมันปฏิบัติมันไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ตึงไม่เครียดแล้วเ อ, อ, อะไรเนี้ยอย่างของโยมโกโกโกโก้นะเนี่ยเป็นความเขาเรียก ว, ว่า ก็เรียกว่าให้ความมนุเคราะห์กันนะนะช่วยเหลือกันแต่ก็ช่วยเหลือคนอื่นด้วยแหละโดยการที่เน้นเป็นรายคนแต่คนอื่นเนี่ยสามารถจะเข้าใจได้หลวงพ่อกลับมาของโยมโกโ ก, ก้อีกครั้งหนึ่งเนาะตอนนี้ยังนั่งอยู่บนเตียงเนาะยังนอนอยู่เหมือนเตียงเนาะใช่ครับเนี่ยคือต้องเน้นตรงนี้แล้วก็เรียกว่าจี้จุดจี้จุดเนี่ยหลวงพ่ออธิบายเป็นอย่างนี้ก็ได้เพื่อเพื่อให้เป็นการแบบเข้าใจตามเนาะก็คือว่ามันมีเตียงเตียงก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่ง ตัวเราที่เป็นผู้นอนก็ดีผู้นั่งก็ดีก็เป็นอีกสิ่งสิ่งหนึ่งนี่มันเป็นสองสิ่งแล้วนะนี่แสดงว่าไอ้สสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้โดยธรรมชาติอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเป็นธรรมชาติรู้รู้ว่ามีสิ่งนั้นรู้ว่ามีสิ่งนี้แต่ธรรมชาติรู้เนียมันไม่ได้เป็นสิ่งไหนนะธรรมชาติรู้ไม่ได้เป็นเตียงธรรมชาติรู้ก็ไม่ได้เป็นเรา เพราะมันเป็นธรรมชาติอีกหนึ่งสิ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งอีกอีกสิ่งหนึ่งทีนี้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ปั๊บแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าโอ้เตียงเป็นสิ่งถูกรู้มันเป็นตัวทุกข์เป็นสังขารเป็นทุกข์นะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตัวเราก็เหมือนกับเตียงก็คือเป็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันแต่ธรรมชาติรู้เมื่อมันไม่ได้เป็นเตียงเมื่อมันไม่ได้เป็นเราก็แสดงว่ามันเป็นธรรมชาติที่พ้นไปจากเราเห็นไหม ทีนี้การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติเพื่อให้เราพ้นทุกข์แต่ปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาเข้าใจถึงธรรมชาติที่มันไม่มีทุกข์นะแล้วก็สามารถที่จะรู้รอบรอบรู้ก็คือรู้รู้จักถึงธรรมชาติที่มีทุกข์นะกับธรรมชาติที่มันไม่มีทุกข์พ <eka>. อมีปัญญาเข้าถึงตรงนี้เสร็จแล้วมันจะรู้เลยว่าโอ้ไอ้ธรรมชาติที่มันไม่ทุกข์มันไม่สุขมันไม่เป็นอะไรก็คือธรรมชาติรู้นั่นเองนะ เพราะฉะนั้นเมื่อมันรู้เราขณะที่รู้เราก็พ้นทุกได้ทันทีเพราะอะไรเราเป็นตัวทุกแต่รู้ไม่ต้องเป็นทุก์จึงได้แต่รู้รู้แล้วไม่ต้องเป็นทุกหรือจะใช้คำว่าเห็นก็ได้หลวงพ่อใช้คำว่าเห็นนะอ่ะอันนี้เอาของจริงก็คือเตียงเป็นสิ่งถูกเห็นตัวเราที่นั่งอยู่เนี่ยมันก็ถูกเห็นไงว่าเรานั่งอยู่นะแล้วมันก็เข้าใจได้เลยว่าเตียงกับเราเนี่ยเป็นคนละสิ่งกันอ่ะ แต่ธรรมชาติเห็นน่ะมันไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นธรรมชาติที่มันพ้นไปจากตัวเรามันจึงไม่มีทุกข์มันจึงได้เห็นแต่ทุกข์มันก็เลยไม่เป็นทุกข์ที่หลวงพ่อคำเขียนบอกว่าเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นก็คือตัวนี้เองไม่ใช่ว่าเราเห็นอะไรแล้วเราไม่เป็นสิ่งนั้นอันนั้นยังไม่ถูกมันจะต้องเห็นเราแล้วก็จึงพ้นเราโยมกก็เข้าใจไหม เขาใจแล้วครับอ้าอธิบายอ เ, นะเอออธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้คนอื่นนี่มันประโยชน์ อ, อี่นิดหนึ่งเลยเ อ, อธิบายเหรอก็คือธรรมชาติของเราอ่ะวันนี้ถ้าถ้าถ้าพูดในในแง่ของของของหลบพ่อใช่ไหมที่ือกว่าเตียงกับผมก็จะมีอีกตัว น, นที่เป็นตัวเอรียกตัวรู้อีกตัวนึงที่ที่เห็นเฉยเอยอะเห็นซื่อๆเห อ, ะอะนาะท่านในแง่ของพ่อคำเขียนก็ซื่อๆก็เห็นเห็นเห็นผมเห็นเตียงก็แค่นั้น ใช่แล้วเมื่อก่อนนี้เห็นอย่างนี้ไหมเราเห็นเตียงแต่เราเราไม่เป็นเตียงอใช่ไหมเมื่อก่อนเราเห็นเตียงแต่เราไม่เป็นเตียงเราเห็นทุกแต่เราไม่เป็นทุกที่โยมพูดบ่อยๆแต่หลวงพ่อพูดมันอีกขั้นหนึ่งก็คือมันเห็นเราอีกทีหนึ่งว่าไอเราพูดเห็นเตียงน่ะเป็นสิ่งถูกเห็นแต่มีธรรมชาติเห็นซึ่งมันไม่เข้ามาเป็นเราอ๋อมันอีกสเต็ปหนึ่งไงครับอันนี้เกศก็คือมีอ่าพอคือเข้าใจครับเข้าใจก็ ถ, ถ้า لي, ถ้าในถ้ามายกอย่างเตียงกับผมเนี่ยก็คือเราก็มีอีกอีกสิ่งที่ที่เราแค่เห็นเห็นเห็นตัวเองกับเห็นเตียงเห็นผมกับเตียงเนี่ยเฉยเฉยก็แค่เห็นแต่ไม่ได้เป็นผู้เป็ น, นครับใช่ครับประมาณนั้นนะคะค<า>่ะอ่าเดี๋ยวหลวงพ่อยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้ชัดเจนชัดแจ้งขึ้นไปอีกเนะ<ม>าะหลวงพ่อชอบมากเลยเรื่องยกตัวหมายกตัวอย่างเรื่องหมากับคนเนี่แหละ เ อ, เอาพวกเราก็รู้จักหมาใช่ไหมแล้วก็เวลายืนมองหมาเห็นหมามันเดินบ้างมันนอนบ้างก็แล้วแต่เนาะเราเนี่ยเป็นผู้เห็นหมาในเบื้องต้นหมาเป็นสิ่งถูกเห็นเราเป็นผู้เห็นหมาแต่พอเราเห็นหมานานๆเข้าเนี่ยเหมือนกับว่าดูไปดูมาปรากฏว่าเอ้ามันก็มีธรรมชาติอันหนึ่งมาเห็นเราว่าเราเป็นผู้เห็นหมาอันเนี้ยตรงเนี้ยขั้นตอนเนี้ยเป็นขั้นสุดยอดก็คือว่ามีธรรมชาติอันหนึ่งมารู้เราว่าเราเป็นผู้เห็นหมา กลายเป็นว่าเรากับหมาเนี่ยมีค่าเท่ากันคือเป็นสิ่งถูกเห็นแต่ธรรมชาติที่เห็นเนี่ยจึงไม่เป็นหมาและก็ไม่เป็นเราแล้วก็เราใช้ปัญญาพิณาดูเลยว่าไอ้ธรรมชาติเห็นเนี่ยมันไม่มีตัวตนนะมันไร้ตัวตนมันไม่เคยมีทุกข์ไม่เคยมีสุขมันไม่เคยปรากฏให้รับรู้ทางหูทางตาทางอะไรทั้งหมดเลยแต่ตัวเราต่างหากที่เป็นตัวทุกข์ตัวเกิดตัวแก่ตัวเจ็บตัวตายเพราะฉะนั้นเนี่ยพ้นทุกข์มันพ้นได้ยังไงพ้นทุกข์เพราะเห็นเรา จำหลักตรงนี้แม่นยําเป๊ะเลยว่าเป็นทางพ้นทุก์แน่นอนรู้สึกตัวนี่แหละก็คือรู้ตัวหรือว่าเห็นตัวเราเมื่อไหร่มันพ้นทุกเมื่อนั้นแต่เห็นให้ถูกต้องตามที่หลวงพ่อยกตัวอย่างแบบนี้ตัวเราจะเดินจะนั่งจะนอนเป็นสิ่งถูกเห็นหมดเลยเป็นสังขารเกิดดับมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะทุกข์แสนสาหัสขนาดไหนแต่เมื่อเห็นเรามันก็พ้นไปเพราะธรรมชาติเห็นมันไม่เข้ามาเป็นเหมือนหลวงพ่อคำเขียนเห็น แต่ที่โยมพูดในตอนแรกๆเนี่ยมันยังมีตัวเราเป็นผู้เห็นไงเห็นตัวเราว่าโล่งโปร่งเบาสบายแต่เราไม่เข้าไปเป็นเห็นไหมมันยังมีเราเป็นผู้ไม่เข้าไปเป็นแต่ที่หลวงพ่อพูดคือมันเห็นเราแล้วมันไม่เข้ามาเป็นเรานี่ออก็คือไม่ได้ไม่ได้เป็นเราแต่ก็เห็นใช่ไหมคือมันจะมีธรรมชาติเป็นเร่ะใช่ค่ะอย่างนั้นละค่ะที่เห็นซื่อๆเห็นซื่อๆเนาะถูกต้องค่ะแล้วก็ไม่สามารถที่จะไป ใส่อะไรกับมันได้ด้วยค่ะพูดก็ไม่ได้บอกไม่ได้ว่ายัางไงด้วยค่ะประมาณนี้ค่ะโอเคครับขอบคุณมากเอ้เขาเรียกโมทน่านะครับลงพ อ, อที่นี้ทีท่นั่นก็คือสิ่งเนี้ยเมื่อเข้าใจนะเพราะว่าตอนนี้โอเคแล้วหลวงพ่อก็ดูแล้วว่าโยมเก็ตขึ้นแล้วแต่เพื่อให้มีความชำนาญเนี่ยต้องไปฝึกซ้อมซ้อมเล่นเล่นกับอะไรบางอย่างหลวงพ่เคยยกตัวอย่างนะฝึกซ้อมกับอะไรเช่น เข้าออกในห้องน้ําเนี่ยเข้าไปในห้องน้ําเนี่ย <Yeah. S 1> เข้าไปเลยพอเข้าไปเสร็จเนี่ยก็หันซ้ายหันขวาปั๊บ ม, มันก็รู้เราว่าเราเข้าห้องน้ําแล้วพอเราออกมามันก็รู้เราอีกว่าเราออกมาแล้วหรือบางทีเอาหัวโผล่เข้าไปในห้องน้ําตัวอยู่นอกนอกห้องน้ํามันก็รู้ตัวเราหมดเลยว่าเราตัวเราเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างนั้นตรงเนี้มันจะทําให้รู้เรามากขึ้นมากขึ้นตรงนี้แหละมันก็เป็นทางเอกทางสายเดียวที่เป็นเรื่องของความรู้สึกตัวล้วนๆเลยคือรู้ตัว รู้เป็นธรรมชาติรู้ตัวคือเป็นธรรมชาติถูกรู้รู้แต่ไม่เป็นหรือเห็นแล้วไม่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะรู้แจ้งในตัวเรารู้แจ้งก็คือรู้ตั้งแต่กายตั้งแต่เวทนาตั้งทั้งจิตทั้งธรรมะสติปัฏฐานสิเป็นสิ่งถูกรู้ทั้งหมดเลยแต่ธรรมชาติรู้ธรรมชาติเห็นเนี่ยมันพ้นไปจากกายเวทนาจิตธรรมคือพ้นหมดไม่ติดยึดอะไรนี่เขาเรียกว่าเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นต้องถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยก็ที่เหลืออย่างเดียวก็คือทําความเพียรให้ถูกต้องและก็โดยเฉพาะ ทำความเห็นให้ถูกว่าจริงๆรอ่ะไม่มีเราเลยมีแค่ขันหา้ามีแค่ดินน้ําไฟลมที่มันปรากฏให้รับรู้ปรากฏแล้วมันก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปแต่ธรรมชาติรู้ธรรมชาติเห็นเนี่ยมันได้แต่รู้มันเป็นธรรมชาติคนละตัวกันมันจึงได้แต่รู้แจ้งรู้จริงรู้แล้วหลุดรู้แล้วพ้นพ้นเลยเพราะฉะนั้นการพ้นทุก์มันอยู่ที่รู้ทุกนี่แหละมันไม่เป็นอื่นหรอกหรือว่าเห็นทุกนี่แหละมันจะพ้นเนาะนักคิดว่ายมน่าจะเข้าใจชัดขึข้นขาชัดแล้วครับหลวง หลวงพ่อสาธุข้ารูครับสาธุข้ารู้เช่นกันครับคุณคุณอะไระหน่่ยหนยหนุยครับยนยครับข้ารูสาธุครับสาธุครับหลวงพ่อค่ะเราจริงๆต้องเอพูดว่าวันนึงวันหนึ่งเนี่ยเราเห็นกี่ครั้งจริงๆการมีจํานวนครั้งของการมีสติเนี่ยมันคือการที่เราเห็นตัวเองกับความเป็นจริงนะคะเพะัน การมีสติมันก็คือช่วยเปิดประตูนําเราเนี่ยสู่ความเป็นธรรมชาติภายในจิตนะคะซึ่งมอัตโนมัติน ะ, ะซึ่งถ้าหากคนเราไม่มีสติแม้จะอยู่กับตัวเองนักชีวิตก็ไม่เคยเห็นตัวเองจริงๆสักครั้งนะคะเนการแค่ละเมอหรือว่าฝันไปแค่นี้นะคะก็ถ้าเราได้รู้จักถึงกันเนี่ยไปพ้น พ, พบของจริงนะคะแล้วก็เห็นธรรมชาติตรงเนี้ยค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวธรรมชาติเนี่ยค่ะในเวลาเดียวกัน ก็ไม่มีอะไรค่ะที่เป็นความลับหละนะมันก็ตื่นรู้ง่ายๆนะคะเรื่องเห็นเราหรือว่ารู้เรานะมันมีแค่ปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะขนาปัจจุบันเท่านั้นเองถ้าอดีตไปแล้วเนี่ยมันสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งถูกเห็นเป็นสิ่งถูกเห็นหมดเลยเอออย่างไปเห็นอะไรมาในอดีตแล้วเอามาเล่าได้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งถูกเห็นหมดแล้วแต่ถ้าเห็นปัจจุบันคือเห็นตัวที่กําลังเล่ากําลังพูดเนี่ยเห็นตัวนี้เลยว่ามันกําลังเล่าอยู่เนี่ยกําลังพูดอยู่เนี่ย เออมันเห็นอยู่นะอย่างตอนนี้เดี๋ยวนี้นะหลวงพ่อจําลองภาพขึ้นมาเพื่อให้เห็นตามก็คือว่าหลวงพ่อใช้คําคําสมมุตินี่แหละมันจะมีตัวตัวหลวงพ่อตัวหนึ่งใช่ไหมมันก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่ว่าความเข้าใจความรู้สึกของโยมทุกคนเน่ะมันมันก็พอเข้าใจได้ว่าเออมีหลวงพ่ออยู่หลวงพ่ออยู่ไกลๆแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่มีอยู่เห็นไหมตอนเนี้ยมันเขาเรียกว่ามันมันสร้างมันสร้างมันจินตนาการเนาะมโนมโนอ่ ไอมโนเนี่ยมันก็เป็นสังขารปรุงแต่งไงเออปรุงแต่งปรุงแต่งให้มีรูปหลวงพ่อขึ้นมาแต่มันก็มั่วๆ ว, ว่ารูปอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆมันมั่วหมดแหะเพราะมันไม่เคยเห็นหน้าตาเนาะอ่ามันก็มั่วว่าเออถ้าเป็นพระในคงหมจีวรอย่างนั้นแต่มันมั่วมันปรุงไปมั่วๆอ่าก็กลายเป็นว่าเอ้าไอ้ที่มันปรุงแต่งขึ้นมากลายเป็นสิ่งถูกเห็นไปเรียบร้อยแล้วถูกไหมอ่าถูกไหมเป็นสิ่งถูกเห็นแล้วขณะเดียวกันก็จะมีตัวโยมไงตัวโยมก็อีกตัวหนึ่งนะ ซึ่งเป็นผู้เห็นหลวงพ่อแต่มันเห็นแบบภาษาที่เราเข้าใจก็คือแบบมันมโนอะเนอะเห็น <c oughs> ตัวหลวงพ่อก็เป็นสิ่งถูกเห็นเป็นสิ่งที่มีมีแบบมันมายามันสร้างภาพแล้วก็ตัวโยมที่เป็นตัวตัวเนี่ยนั่งนั่งคุยนั่งอะไรเนี่ยนนั่งอยู่ตรงนั้นมันก็รู้ทีเนี้ตรงเนี้ยหลวงพ่อก็จะบอกว่ามันง่ายไหมในการที่จะรู้ตัวเราอะ่ะง่ายแล้วเพราะว่ามันได้รู้จักแล้วไงว่าการรู้เราการเห็นเราอะ่ะก็คือโธ่ก็รู้เรา แล้วก็เข้าใจด้วยปัญญาเลยว่าไอ้ธรรมชาติรู้ธรรมชาติเห็นน่ะมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่ตัวหลวงพ่อและก็ไม่ใช่ตัวโยมเห็นไหมแล้วมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งแล้วไอ้สิ่งสิ่งนั้นน่ะที่รู้เราอ่ะมันเป็นธรรมชาติที่พ้นทุกมันไม่มีทุกเลยแต่ตัวเราเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมก็คือยังเย็นร้อนอ่อนแข็งยังหานาวเนี่ยอากาศหนาวหนาวหนาวเหมือนเดิมไหะแล้วก็ยังกินอาหารยังเดินยังเหมือนเดิมแต่ที่มันไม่เหมือนเดิมคือ รู้แล้วว่าไอตัวที่เดินได้คิดได้กินอาหารได้ทำโน่นทํานี่ได้อะมันเป็นของตายเป็นของสิ่งปรุงแต่งยึดถือไม่ได้เพราะมันเป็นขังขานไม่เที่ยงไอตัวรู้ที่มันมารู้เราอ่ะมันก็ได้แต่รู้แจ้งอยู่นั่นแหละมันก็คืไม่เป็นเราอยู่แล้วแล้วมันเป็นความหลุดพ้นแบบคือถ้าไม่ลืมเรื่องเนี้ยมันหลุดพ้นถาวรไปแต่ท่าที่หลุดพ้นถาวรได้ก็คือปัจจุบันให้มันชํานานชํานานชํานาญในการรู้เรารู้เร า, ยาโยงกโก้ชัดเจนไหมล่ะอ้าว ชาติครับหลวงพ่อครับโมทนาบุญนนบด้วยครับขอบคุณนะ ค, ค, ค, ค, ครับขอบคุณข่าวเห็นชัดนะครับครับดูบ่อยเห็นบ่อยค่ะนั่นแหละถ้าไม่ชาติเนี่ยลงมุดข้าใตเตียงเลยมุดข้าวาวิ่งข้าววิ่ออก ม, มันรู้เราหมดเลยทีเนี้ยพระมัน <S <S <พอ S 1> ได้ทางเลยมันเริ่มรู้จักแล้วมันมีเขาเรียกว่าทีละสัญญาคือมันจําได้แล้วว่าไอตัวเราคือตัวไหนใช่ไหม แล้วก็ต่อไปเนี่ยมันจะพัฒนาเร็วมากเลยคือจะอยู่ในที่คนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนมันก็รู้ตัวเราหมดเลยว่าไอเราคือคนคนนี้ไม่ใช่คนคนนูน้นอ่ะใช่ไมอมหรือว่าเรากําลังมองดูสาวอยู่อย่างเงี้ยไอสาวเดินไปเราเป็นผู้ยืนมองสาวมันก็รู้เราว่าเราอยืนมองแล้วเราก็เราก็พูดคิดในใจยังไงมันรู้เราหมดเลยเห็นไหมมันก็เลยไม่หลงไปกับสิ่งถูกรู้แล้วมันก็จะรู้เรารู้เราแล้วก็หลุดพ้นกันนะที่รู้เราอ้าวโยมอนุอ์อะาจารย์ มารการหลวงพ่อครับก็ก็ขอบคุณหลวงพ่ออนะะนน้นนะครับแล้วก็การเรียนรู้ทุกท่านนะครับตั้งแต่ที่เราเข้าใจว่าว่าธรรมมาคืออะไรแล้วก็การเข้าไปรู้เราคืออะไรก็รู้สึกว่าอืมความคิดก็เห็นแยกแยๆว่าสิ่งที่เรารู้รู้ใจเราจะเป็นท่าถึงความคิดหลงไปแต่อดีตแล้วก็อนาคตมันจะรู้แากปัจจุบันเดี๋ยวเดีเนี้ยขนาดเนี้ยครับ พรที่ผ่านมาเราเห็นได้ยินได้กลิ่นนิมรสเราก็มีแต่ชื่อเรื่องราวมากมายการทํางานของเราก็รู้สึกว่าอืมแต่ก่อนมันจะหนักจะมีเวลาทํางานแล้วกลับมาบ้านเอาเรื่องงานมาคิดหีบางทีมีความเครียดที่บ้านไปทํางานก็างานจากงานส่วนตัวที่ที่ครอบครัวก็ไปคิดที่ทํางานมันก็เลยแบบมั่วหมดตร่ความคิด จริงๆไอ้ความคิดเนี่ยมันตือนตัวที่ตะก่อนก็เคยเคยคิดเหมือนกันเอ๊ะทำไงให้มันจะจะพ้นความคิดได้แล้วก็ไม่ยุ่งกับคิดมันได้เนี่ยแต่ก่อนก็เข้าใจว่าอืมมันก็ยังมีเราคิดอยู่ดีอะครับแต่ถ้าเราเข้าใจความคิดนั้นก็ส่วนหนึ่งไอ้สิ่งที่เข้าไปรู้ในความคิดก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าอืมเหมือนกับที่ที่หลวงพ่อว่าอเห็นหมาเราก็ไม่ใช่หมาหมามันก็ไม่ใช่เราเราก็ยืนยันอย่างนั้น และตัวเรามันก็ไม่ต่างเพราะาเราก็สิ่งที่ถูกรู้เหมือนกันเพราะว่ามันก็กลายเป็นรู้ที <Jude. S 1> ่ว่ารู้ในรู้ว่ารู้คือรู้แรกคือรู้ต่างตาูจมูกลิ้นกายใจคือจิตตนานีรู้แรกเขาว่าในรู้ก็คือใครไปรู้ก็มีเราไปรู้ถ้าไม่มีเราไปรู้แล้วจะไปรู้เราได้ยังไงเพราะสิ่งที่เราจะละอ่ะจากการตัวตนของตัวเองได้ต้องรู้จกักตัวเองก่อนการที่รู้ยากที่สุดและที่น่า ก, กลัวที่สุดคือการไปรู้จกักตัวเองเพราะยังม <st uti> <đang> ีตัวเอง เรารู้ตรงนี้ได้ปุ๊บมันก็จะเห็นความรู้สึกว่าอ ม, มันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเราไม่เข้าใจที่มันซ่อนเล้นอยู่เยอะแม้ขนาดบางทีเราพูดกันอย่างเนี้ยก็ยังรู้ว่าเราพูดอยู่เนี้ยก็ยังมีเราไปพูดอยู่ดีเนี่ยในกาลังพูดขนาดเนี้ยบางห้องก็บางทีไม่ได้คุยกันทางห้องนี้ไปอยู่อีกห้องหนึ่งบางทีก็เห็นทางเขามีการถกเถียงของสภาวธรรมบ้างระหว่างผู้ปฏิบัติกับอ่าอภิธรรมคนที่เรียนพจทวจนะ เห็นถกเห็นเถียงกันคุยไปคุยมาถ้าต่ก่อนไม่ได้เข้าใจนี่เห็นก็คุยเขาเถียงกันเลผมออกห้องแหละแต่ผมไม่ไม่ออกผมก็ดูดูอยู่ไปทำไมอยู่ไปเพราะว่าการที่เราเห็นทั้งสองฝ่ายที่เขาอ่ะต่างฝ่ายต่างไม่เห็นไงมันคือคือเขาไม่เห็นตัวเองว่าขณะที่พูดแนวสังขารที่เขาพูดมาทั้งหลายแหละเขาอุปทานทั้งหลายแหละแต่อดีตที่ผ่านมาทั้งนั้น่ะปัจจุบันเขาไม่รู้เลยรู้แต่พูดแต่เรื่องที่เป็นอดีตอดีตอย่างยกตัวอย่างขนาดเนี้ครับ ว่าโทรศัพท์แข็งไหมเราเห็นโทรศัพท์เรถือโทรศัพท์เนี่ยเราบอกว่าถ้าคนยังไม่เข้าใจก็บอกโทรศัพท์แข็งเป็นผมผมก็บอกโทรศัพท์ไม่แข็งมงคนก็งงทาไมโทรศัพท์ไม่แข็งเพราะขณะที่แข็งมันมันปรากฏระดับไปแล้วแต่เมื่อเอ่ยว่าคําว่าโทรศัพท์แข็งเนี่ยมันมันเป็นชื่อเรื่องราวที่เป็นอดีตเพราะอะไรเพราะมันมันจำและก็คิดที่พูดมาเป็นคิดแต่สภาวะนัน้นไม่ได้พูด เนี่ยต้องขอบคุณหลวงพ่อเพราะว่าทำให้รู้อยู่ปัจจุบันคืออะไรเหมือนกันพอเรามาเจอคนเข้าคุยกันในกลุ่มหรือว่าที่ทํางานหรืออะไรก็ช่างอะเราเห็นสิ่งที่ก็มีการถกเถียงกันอะไรก็ช่างเนี่ยเอาเหตุเอาผลเอาถูกเพราะว่าเพราะว่าส่วนให ญ, ญ่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยผมเรียกพิธรมอะ่ะโอเคอภิธรรมอ่ะถูกต้องและเป็นพื้นฐานก็เป็นแผนที่แต่เมื่อเราเข้าใจถึงจุดที่ 1.1 แล้วเนี่ยเราก็ไม่จะเป็นต้องคือแผนที่ไปด้วยแต่เราก็ดูรู้ว่าไอ้สิ่งที่ไปตรงนั้นอะ มันมีเหตุปัจจัยเราเข้าใจละไม่ต้องถือแต่ถ้าเป็นแนวทางแค่นั้นเอง mm hmm. ก็อย่าไปยึดไปติดทีนี้การที่เราไปยอมรับอย่างหนึ่งก็ว่าคนเราส่วนใหญ่เนี่ยมักจะรู้สิ่งที่ถูกรู้ครับแต่ไม่รู้ตัวเองเนี่ยแต่ไม่รู้ตัวธาตุรู้เนี่ยตัวเนี้ยรู้ยากอย่างยางยาอ่งเห็นคนอื่นอานคนอุณสมคันอื่นเห้ยคนเขาเขียงเห็นไรเห็นอาุณสมคันอื่นก็พูดขึ้นมาหน่ยเห็นเห็นเห็นแต่ขณะที่เราไปร่วมวงคอหนัดนั้นอะ เราไปเชียเข้าไหมเราไปเข้าฝ่ายใดฝ่ายดึงไหมขนาดนี้อุศสมผลและแต่ถ้าเราไม่ไปยินดียินรักกับมันแล้วเราก็เห็นเออสิ่งที่มันกำจะพูดขึ้นมาเนี่ยของเพิินนี่จะจะมีคาถาของเพลินอย่างที่บอกหลวงพ่อออสอาจจะยาบหน่อยว่าเวลามีอะไรที่จะพูดแซงมาหรือพูดขึ้นมาจะไปเชียร์ข้างใดข้า ง, างจะไปบวกชกป็นโรคผมจะชี้หน้าเสกเสกมันก็เหมือนกับอุปมาว่าเราปลูกต้นมะม่วงเราโตนหนึ่งใช่ไหมครับและถ้าเราเห็นใครมันไปนขโมยของเนี่ยหรือเด็กสอนมะม่วงอ่ะ เหมือนโจนะครับโจเวลามันมันมันจะขโมยตอนตอนเมื่อไหร่ตอนเผลอถ้าโจมันเห็นเจ้าของบ้านมันเผลอหรือมันหลับมันถึงขโมยได้แต่ถ้าหากเจ้าของบ้านมันไม่หลับนะยังตื่นนะถ้าใครเข้าบ้านมองปุ๊บโจมันเห็นเจ้าของมันตื่นอยู่แค่มองหน้ามันก็วิ่งแั้วไม่กล้าขโมยฉันได้ฉันนะครับมันขโมยเวลาขโมยความปัจจุบันของเราไปเพราะลูปภาพมันจะขโมยความคิดมันจะขโมยเราตลอด แต่พระเชษฐ์บอกว่าไปเพ่งไปจ้องนะไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของปัจจต่างเรื่องของอนัตตาด้วยเป็นเรื่องของเฉพาะตัวคือยิ่งเข้าใจธรรมะมากเนี่ยหรือหรือรู้สภาวะธรรมสิ่งที่ปรากฏที่รู้ได้มากๆเนี่ยมันจะมีตะล่ังตัวคือตัวมานะโอ้ฉันรู้มากนะใช่อย่างนี้มากนะนั่นแหละไอ้ตัวนี้แหละตัวแสบก็ทําให้เราหลงไปอีกมันก็ไม่เห็นอีกชั้นหนึ่งแต่ถ้าเรารู้เราถ้าไปใส่ใจมันรู้ก็ช่างมันรู้ก็ช่างจะรู้มากรู้น้อยก็ต้องไปกําหนดมากมายก็รู้อย่างเป็นปกติแหละ ที่ผมบอกว่าอืมการที่เข้าใจธรรมะการปฏิบัติธรรมะที่ดีสุดคือปกติที่สุดที่สุดคือขนาดเนี้ยที่เข้าใจที่สุดของเราเพราะความความเข้าใจของเราไม่เหมือนกันก็ผมเคยเคยกลุ่มเนื้อผมก็คุยกับหลายครั้งนะว่าอืมทําไมดอกไม้แต่ละต้นอะ่นะเวลารับแสงอาทิตย์ไม่เท่ากันมันก็เหมือนกับปัญญาของแต่ละคนได้ความต้องการของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนได้ต้องการแสงมากๆกสูงหน่อยต้นมันก็จะโตไหนแล้วก็หยุดก็พอละพอต้นไม้มันโตสุดแล้วพอคือความอิ่มของมันแล้วมันไม่ต้องการมากกว่านี้ละ บางคนเนี่ยฉลาดหลักแหลมสะสมมาหลายภพหลายชาติแค่ค่อฟังนิดเดียวก็เหมือนแค่ต้นหญ้านิดเดียวมันสูงมากเขาก็พอของเขาละเขากนะ็แล้วถึงบอกว่าจะจะจ ะ, จะยังไงกระช่างจะสูงมากสูงน้อยสูงต่ำเท่าไหร่เนี่ยต้นไม้ใดกระช่างถ้าไม่ได้รับแสงแดด ก, การจเจริญไม่มีก็คือการได้ฟังธรรมสนทนาธรรมการได้เรียนรู้ธรรมเข้าใจธรรมการเข้าใจธรรมไม่ใช่ไปทนะํ า, ทานะทอรอธรรมะนะคือความจริงถ้ามีเราไปทําเมื่อไหร่นะก็ผิดตั้งแต่แรกผมก็ ยอรับว่าการที่เข้าใจธรรมะเนี่ยมันเป็นประโยชน์มากนะครับมากกับใครหนึ่งมากกับตัวเองก็คือว่ามันไม่ไม่กลไปทําร้ายคนอื่นแล้วไม่กลทําร้ายตัวเองด้วยถ้ายิ่งเราเข้าใจมากว่าอากุศลเกิดมากขึ้นเท่าไหร่นะเราจะเห็นตัวเองใช่ไหมครับถ้ายิ่งเราเห็นตัวเองอกุศลมากปุ๊บเราก็จะปลอดภัยมากๆก็คือเราไม่ทําร้ายตัวเองเช่น เ, เราไปด่าเขาหรือไปขโมยของของเขา น่าทับเข้ากับว่าคุณทำลายตัวคุณเองเพราะอะไรคุณต้องรับวิบากกรรมนั้นแน่นอนแต่ถ้าเราเห็นโทษเห็นภัยแล้ปัญญามันเห็นเนี่ยเราจะไม่ทําอกุศลในทั้งสิ้นและเข้าใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันก็ไม่ใช่เราเพราะในมีมันไม่มีจริงเพราะในมีมีมันมันมีจริงแต่จริงเนั่ยไม่ใช่เราเพราะเป็นท่าแล้วก็ดับไปทุกอย่างมันมาจากความว่างแล้วก็ดับไปความว่างแต่ต้องเป็นเรื่องของความเข้าใจเนาะถ้ารู้รู้จักได้พบเหตุนเนี่ยมันจะชัดขึ้นแต่ถ้าจำเนี่ย แป๊บๆเวลาเจอเฉพาะธรรมมันก็ลืมอีกท่านี้ทั้งนั้นเราถ้ามีการคุยการสนทานาธรรมก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนี่ครับผมอมูลก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะฮะหลวงพอ่อแค่นิดๆหนึงแค่หลังจากได้เข้าใจธรรมะแล้วประโยชน์คืออะไรก็เป็นไกด์ไลน์นิดเดียวแต่ต้องส ะ, ส, ะ, ส, ะสมไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆแม้อย่างนี้ก็ไม่ใช่เราครับผมก็คงมีความเห็นเท่านี้ครับขออนุโมทนาแล้วก็ขอพระคุณหลวงพอ่อให้โอกาสครับขอบุณรับอนุโมทนาค่ะสาธุ ค, ค่ะ กับพ่ออากาศหลวงพ่อแล้วก็คุณหนุ่ยๆแล้วก็ก็เล่นเชิญค่ะภรรยาภนมิตรทุกท่านพอดีนั่งนั่งฟังคุณนันนนไปด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้ฟังหรอกมันมันคลิปไปถึงเรื่องที่กําลังจะจะเล่าวันนี้ฟังคลิปหนึ่งที่หลวงพ่ออัพโหลดวันนี้แหละท่านท่านพูดถึงตอนที่ท่านมุดน้ำเนาะท่านมุดน้ําก็มันจะเห็นความที่ท่านท่านเล่าแบบเหมือนว่าความที่ เรื่องอะไรนะมันมันควมันจะตายนะประมาณนั้ น, นะะแหะค่ะก็เลยอยากจะเล่าส่วนตัวที่ที่นหน้าที่นหน้าเพิ่งผ่านมาเมื่อเดือนกุมภานที่ผ่านมานี่แหละอันนี้ก็คือเป็นอนุภาพจากการที่เรารู้สึกตัวรู้สึกตั ว, ตวจนจนมันเหนียวแน่นน่ะจนมันรู้สึกตัวเป็นอัตโนมัติเสร็จ แ, แล้ววันนั้นน่ะมันมีอ่าวันนั้นเป็นลมเป็นลมคือบ้านหมุน เป็นเยอะมากพ อ, พอเสร็จมันรู้มันรู้สึกว่าบ้านหมุนนะวันนั้นอะ่ะกําลังคือออกจากสมาธิวันนั้นนั่งสมาธิไปชั่วโมงกว่าก็รู้สึกอยู่ในสมาธิโอ้มันดีแท้เสร็จ แ, แล้วพอก็ลุกออกมานั่งท่าเทพธิดากราบพระลงไปได้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าบ้านมันตุมมันหมุนไปเลยมหมุนไปเลยเสร็จ แ, แล้วไอ้ตัวพอหมุนไปก็คือมันเหมือนทา่าไฟมันจะแตก ธาตุในร่างกายมันทั้งลมทั้งไฟเดียวก็คือมันตีกันอยู่ข้างในแล้วเราก็วิ่งไปอวบวิ่งไปขอประทานโทษนะคะวิ่งเข้าห้องน้ําน่ะมีทั้งหมดนั่นแหละเสร็จแล้วก็วิ่งออกมายืนแล้วก็หน้ั่นออกไปเหมือนเหมือนว่าธาตุไปมันจะแตกเสร็จแล้วไอ้ตัวรู้เนี่ยคนที่มีตัวรู้อยู่มันมันมันมาดูเฉยๆนะมันดูร่างกายที่กําลังจะแตกวันน่ะมัน มันดูเฉยเเลยมันมันไม่ได้ไปกำกับอะไรเลยตัวตัวตัวรู้เนี่ยมันดูทั้งทั้ที่ร่างกายเนี่ยคือมันพร้อมที่จะจะจะตายเลยเพราะว่าตอนนั้นมันอวกมากแล้วก็ตายก็คือเท้ามือเย็นไปหมดร่างกายข้างในนีิสันแบบสันสะท้านเลยค่ะเหมือนเหมือนคนเสียน้ํามากประมาณนั้นแหละแต่ไอตัวรู้เนี่ยมันมันออกมาอยู่อยู่ตรงนี้อยู่ข้างนอกเลยมันไม่เกี่ยวกันมันก็เลยโอ้หลังจากรอดมาวันนั้นรู้สึกว่าโอ้ การที่เราเจริญสติรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปเนะี่ยพอวันที่จะตายอย่างจริงอวันนั้นรู้เลยว่าไม่ไม่ใช้คำพูดนะะหลวงพ่อก็คือรู้เลยว่าวันนั้นอะ่ะก็คือตัวรู้มันออกมาข้างนอกเลยมันไม่เกี่ยวกับร่างกายที่กําลัง จ, จะแตกเลยก็ก็อยากจะแบ่งปันประสบการณ์ตรงเฉยๆคะ่ะแต่ขอพุทธคุณหลวงพ่อให้ได้ให้โอกาสคนในนู้นได้วยค่ะสาธุค่ะ ก็ตามนั้นแหละนะเพราะว่าทุกอย่างมันมันทำงานออโต้หมดเลยคือร่างกายปั่นป่วนยังไงอันนั้นมันก็เป็นสังขารซึ่งมันมีเหตุปัจจัยให้เป็นมันก็เป็นแต่มีธรรมชาติอันหนึ่งที่รู้แจ้งแต่มันไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยมันไม่ได้พูดมันไม่ได้บ่นแต่มันเห็นแต่รู้แจ้งอย่งั้นแหละเนาะเออรู้แจ้งในปัจจุบันนั้นนั้นค่ะใบปิดอยู่ค่ะหลวงพ่อค่ะอ๋อ ทีนี้ที่เล่ามามันก็เป็นเป็นเหตุการณ์เนาะเป็นประสบการณ์ที่ได้รับรู้รับทราบว่าเออในขณะปัจจุบันนั้นนั้นเนี่ยมันมันเกิดอะไรขึ้นเนาะแต่ก็เอามาเล่าได้ก็คือเห็นเห็นตอนนั้นะแต่ว่าเอามาเล่าใหม่นะซึ่งธรรมชาติรู้เนี่ยซึ่งที่มันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ใครทั้งหมดอะมันมีอยู่มันก็เห็นแจ้งรู้แจ้งหมดเลยว่าร่างกายเนี่ยมันมีปฏิกิริยาอาการอย่างไรมันรู้หมด แต่มันก็ไม่พูดไม่บ่นสักคํานึงมันได้แต่รู้อยู่งั่นแหละรู้อย่างเดียวแล้วก็ตรงนี้ถ้าใครได้พบได้เห็นเนี่ยมันก็จะเข้าใจธรรมะแบบลึกซึ้งมากขึ้นอีกว่าโอทั้งอาการต่างๆมันก็เป็นเองมันไม่ใช่เราทั้งไอตัวรู้ที่มันไม่มีตัวมันก็รู้แจ้งอยู่มันก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นน่ะมันจะรู้แจ้งรู้ชัดด้วยปัญญาเลยว่าจริงๆไม่มีเราเลยไม่มีเรานะแต่ที่เราใช้คําสมมุติว่ามีเราบ้างมีเขาบ้างไอเนี้ยมันเป็นคําสมมุติเรียก แต่โดยปรมาตธรรมเนี่ยเป็นธรรมชาติเนี่ยมันไม่มีเราและก็ไม่มีเขามีแต่สิ่งถูกรู้และก็มีรู้นะอันนี้เป็นภาษาสมมุติที่เรียกกันแต่ว่าถ้าเอากันจริงๆสุดๆแล้วเนี่ยมันมันพูดเป็นภาษาไม่ได้เลยนะมันไม่มีคําสมมุติอนะ่ะมันมีแต่สภาวะซึ่งไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรแต่มันมีอยู่นะซึ่งมันมีอยู่แล้วแหละเรื่องนี้คือเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าไปพบมาแล้วก็มาบอกเรานี่แหละ เพราะนั้นจริงๆการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ใช่ว่าเราต้องไปค้นหาอะไรเพียงแต่ว่ารับรู้สังเกตสิ่งที่มีอยู่ในตัวเนี่ยตัวเองเนี่ยมันมีอาการกิริยาใดๆล่ะเออก็ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งตามนั้นแหละเออแล้วก็เมื่อปฏิบัติมากเข้าใจมากมีปัญญามากมันก็วางหมดคือไม่มีอะไรต้องยึดอะไรเลยมันก็เป็นความหลุดพ้นอย่างเดียวนะปฏิบัติธรรมเนาะคือฟังให้เข้าใจนะแล้วก็ลงมือไปทดลองไปดู แล้วมันก็จะเข้าใจเป็นปัจจตังเองส่วนสำหรับผู้ใหม่ก็เป็นธรรมดาถ้าหลวงพ่อเริ่มนับจากหลวงพ่อเป็นคนใหม่ตอนนั้น่ะพื้นฐานในเรื่องของกรรมฐานเรื่องความรู้สึกตัวไม่มีเลยไม่รู้ลักอย่างหนึง่งแต่ก็ฝึกไปฝึกมาทั้งฟังทั้งปฏิบัติปฏิบัติเยอะๆด้วยเหมือนกันโอ้ได้หลักมาครูบาอาจารย์บอกให้รู้สึกตัวกับกายเคลื่อนไหวรับฝึกหมดเลยจะเดินจะนั่งจะนอนฝึกหมด แต่ก็มันก็ได้รับผลบางส่วนแต่ก็ปัญญามันยังไม่เกิดเต็มที่มันยังมีความหลงผิดอยู่หลงผิดว่าเออยังมีเราเราเป็นผู้ปฏิบัติเราเป็นผู้มีสติเราเป็นผู้ขาดสติเราเป็นผู้สบายเรามันมันยังยึดอยู่ไงแยกไม่ออกว่าอะไรถ้ามันพ้นยึดถ้ามันไม่ยึดแล้วมันจะเป็นยังไงก็เลยยึดยึดยึดนะรู้อะไรมาก็ยึดหมดว่าเป็นเรารู้เรารู้เราเห็นเรารู้เราเข้าใจนะมันเป็นเราอยู่ไงแต่เมื่อ ถึงเวลามีจุดหนึ่งมันมารู้เราเนี่ยตามที่หลวงพ่อกำลังอธิบายในช่วงชั่วโมงนี้เรื่องการรู้เราเนี่ยคือเป็นการหลุดพ้นเลยเพราะเหตุว่าเราเป็นสิ่งถูกรู้แต่มีธรรมชาติรู้ซึ่งมันไม่ใช่เรามันก็พ้นไปจากเราก็เลยเข้าใจเรื่องการหลุดพ้นขึ้นมาว่าการหลุดพ้นคือแบบนี้นะการหลุดพ้นคือแบบนี้คือรู้เราหรือว่าเห็นเรา นะถ้าเข้าใจเรื่องการหลุดพ้นแล้วเนี่ยมันง่ายแล้วไงเพราะว่ารู้จักแล้วไม่สงสัยแล้วว่าการหลุดพ้นคือแบบไหนอีกหลุดพ้นก็คือรู้แบบนี้แหละออหลุดพ้นคือมันไม่เป็นเราพ้นไปจากเราแล้วก็พ้นไปจากทุกข์ด้วยตัวเราคือตัวทุกข์เมื่อมันรู้เรามันก็พ้นทุกข์เอา้าพอมันพ้นทุกข์เลยรู้จักทั้งทุกข์รู้จักทั้งความไม่ทุกข์ก็ครบในอริยสัจเลยว่าโอ้แท้จริงก็คือแค่รู้ทุกข์นั่นแหละรู้ทุกข์ด้วยสติสัมปชัญญะรู้ทุกข์ด้วยปัญญา มันก็พ้นทุก์คือไม่มีตัณหาที่ต้องมาละเออไม่มีตัณหาต้องมาละ อ, อีกเห็นไหมมันก็แล้วก็หนทางปฏิบัติทําให้มากก็คือเนี่ยรู้เราไปเรื่อยเนี่ยต่อไปมันก็รู้อัตโนมัติเองจะเข้าจะเราจะทําอะไรจะเดินจะนั่งจะนอนมันรู้เราหมดเลยเราจะมั่วเราจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจมันรู้เราหมดเลยโยมเออก็เหมือนทุกวันเนี้ย uts, ที่โยงฟังธรรมะไม่เข้าใจอ่ะแต่ไปยึดว่าเราไม่เข้าใจแต่ว่าถ้ามันถึงจุดหนึ่งมันจะรู้เลยว่ามันรู้เราเลยว่าเราไม่เข้าใจ มันรู้เรานะรู้เราว่าเราไม่เข้าใจแต่มันอ่ะพ้นไปจากเราแล้วมันจึงไม่เกี่ยวมึงไม่เข้าใจกับเรื่องของมึงมึงเข้าใจเป็นเรื่องของมึงแต่ไอัรู้ที่มันรู้เราอ่ะมันไม่เกี่ยวหมดมันก็ได้แต่รู้เหมือนกับที่โยมเล่าวันแหละอาการที่เกิดขึ้นในกายเป็นยังไงมันรู้หมดแต่มันก็ไม่สนใจหรอกเวลาอาการนั้นดับไปมันก็รู้หมดแล้วปัจจุบันเนี้ยมันก็รู้เราอีกว่าเออเราเข้ามาในห้องนี้มานั่งคุยนั่งวางมันก็รู้เราไปเรื่อยเนื้อรู้ปัจจุบันเนาะอ่าก็ลอง ฟังซ้ำๆนะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องแนวทางปัญญาแต่ว่าไม่ใช่ว่าฟังอย่างเดียวคือต้องไปสังเกตแล้วก็ลองไปอะไรเงี้ยเอางี้ทีนี้เดี๋ยวก่อนที่หลวงพ่อจะจะปิดเรืออะไรนะหลวงพ่อก็พูดทบทวนเป็นสิ่งที่มี<ฆ>อยู่<ฆ>ข้อหน้านี่แหละมาชี้บอกกันค่ะผมว่าเป็นเพียงแค่ชี้บอกแล้วก็ให้โยมเห็นตามเท่านั้นเองว่าเออที่หลวงพ่อยกตัวอย่างอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นตามได้ไหม เรื่องนี้จริงๆก็เคยพูดมาแล้วว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้ทุกคนก็มีโทรศัพท์ <S <S เป็นปอุปกรณ์ในการใช้งานซึ่งวางอยู่ข้างหน้าก็ได้อาจจะถืออยู่ก็ได้นะเห็นไหมก็ะจะมีโทรศัพท์โทรศัพท์มันเข้าใจได้อยู่แล้วว่าโทรศัพท์ไม่ใช่เรานะไม่ต้องมีคนสอนเพราะว่าโทรศัพท์เป็นสิ่งถูกเห็นอยู่ตั้งนานและตั้งแต่เกิดสิ่งใดที่เป็นสิ่งถูกเห็นมันย่อมไม่ใช่เราอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นโทรศัพท์ที่วางอยู่ข้างหน้ามันก็ไม่ใช่เราแต่มันยังมีตัวเราเป็นผู้เห็นโทรศัพท์อยู่ ทำไมจึงว่ามีตัวเราเป็นผู้เห็นตัวฉับเพราะว่าไม่ได้ฝึกเห็นตัวเรามาตั้งแต่เกิดก็เลยเอายึดถือตัวเราว่าเป็นเราขึ้นมาเป็นเราจริงๆเลยอ่าแต่ถ้าเห็นตัวเราขึ้นมาเมื่อไหร่ตัวเรามันก็เหมือนโทรศัพท์นั่นแหละโทรศัพท์เป็นสิ่งถูกเห็นตัวเราก็เป็นสิ่งถูกเห็นเอาตกลงตัวเราเป็นสิ่งถูกเห็นไปแล้วเมื่อตัวเราเป็นสิ่งถูกเห็นภาวะการหลุดพ้นก็ได้หลุดพ้นในขณะที่เห็นตัวเรานั่นแหละ เพราะว่าธรรมชาติที่เห็นตัวเราเนี่ยมีอยู่จริงซึ่งไม่ใช่เราเห็นแจ้งว่าเราเนี่ยกําลังมองโทรศัพท์อยู่หรือว่าเราในกําลังเล่นโทรศัพท์อยู่มันเห็นเราไงเมื่อเห็นเราอย่างนี้ยมันก็ชัดขึ้นเนี่ยถ้าคุยกันทุกวันมันก็ยิ่งชัดยิ่งชัดในการเห็นเรา <S <S เห็นเราเห็นทั้งตัวเห็นทั้งตัวมันก็ง่ายดีเพราะว่ามันไม่ต้องไปเพ่งว่าส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันเป็นตัวเราคือรู้รวมรวมเห็นไหม เอาตอนนี้ถ้ายมเข้าใจได้ก็คืออ้าวโทรศัพท์ก็มันก็อยู่ของมันอย่างนั้นแหละไอ้ตัวเราที่เป็นผู้มองโทรศัพท์เออมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นแหละมันพูดได้มันเคลื่อนไหวได้นะตัวเราเนาะแต่ธรรมชาติเห็นนะมันพูดไม่ได้มันเคลื่อนไหวไม่ได้มันกระดูกกระดิกไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีตัวตนมันไม่ปรากฏรูปรักษ์รูปพันสันฐานใดๆทั้งหมดมันจึงเป็นความว่างเออเป็นความว่างที่มีความรู้รู้แจ้งด้วยรู้จริงด้วยรู้ไม่ต้องคิดด้วย แต่ส่วนมากเราอะเอาตัวเราเนี่ยไปคิดมันก็เลยเหมือนกับว่าถ้าเราคิดอะไรแล้วเราก็ไม่ได้ความรู้แต่รู้ตามธรรมชาติอะมันไม่ใช่คิดมันมีการรู้แบบตัวด้วยตัวธรรมชาติล้วนเลยอะมันไม่มีสมองจะคิดหรอกมันได้แต่รู้แล้วมันไม่มีตาที่จะมารู้เรามันไม่มีตาไม่มีหูที่จะมารู้เราคือมันไม่มีอายตนะน่ะไอ้ธรรมชาติรู้อนะมันไม่มีอุตส่ะหจมูกลิ้นกายใจเจอมันไม่มีหรอกมันเป็นความว่างเป็นความไม่ปรากฏ แต่มันมีความรู้แค่นั้นเองถ้ารู้จักได้ถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วเพราะทุกคนจะสามารถไปต่อยอดในทางปัญญาได้เองแล้วเพราะว่าใครจะมานั่งบอกทั้งทุกอย่างให้หมดใช่ไหมเออต้องไปพี่นะต้องอะไรคือมันมันจะไปเองแล้วคราเนี้ยเออมันไม่อาศัยความรู้คนอื่นแล้วมันจะเดินหน้าด้วยลาพังด้วยตัวเองหมดเลยก็เลยก็ลองไปพิจารณาดูทีนี้ถ้าไม่มีใครพูดใครถามเนาะ ก็หลวงพ่อก็คงปิดแต่ว่าถ้าใครเห็นว่าเออถ้าได้พูดได้เลยมันก็ทําให้เพิ่มความชัดเจนให้กับตัวเองก็น่าสนใจอยู่เพราะว่ายิ่งได้พูดเนี่ยสภาวธรรมมันก็เกิดใช่ไหมเออมันก็ยิ่งชัดขึ้นพูดไปคุยไปสภาวะธรรมปรากฏก็มันชัดขึ้นชัดขึ้นอย่างเงี้ยอืมบางทีเราอาจจะแบบไม่ได้จะเห็นจากคนนี้ก็อาจจะเห็นจากกลรณีท่านอื่นๆเป็นตัวอย่างอะไรเงี้ยนะคะก็จะดีมากเลย ก็เรียนเชิญนะคะเดี๋ยวถ้าเจ้ายัางไงยังไม่ปิดก็คุณทีีรท่ิวรัเอทวีรัฐร ม, มีมีอะไรเอบางทีเห็นเปิดไมค์คะ่ะอ๋อไม่มีจะจะ อ, อะนุโมทนาสาธุจะจะบอกหลวงพ่อแล้วเขาบอว่าจะบอกว่ามันแจมแจ้งที่ท่านพูดเมื่อเมื่อกี้นะมันแจมแจ้งแจ้งมันแจ้งแจ้งจริงๆไม่มีอะไรนอกจากคําเนี้ยค่ะ ต, ตับขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อเจ้าค่ะ